สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจาก4ีส่สบพันบาทนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่286งร้อยดิอธิษฐานของพระเยซูครั้งที่61ขอโปรโดยกบาปผิดของข้าพระองค์พี่น้องครับในเรื่องของการยกบาปผิดนะครับเราได้รับการยกบาปผิดจากองค์พระเยซูคริสต์ซึ่งปรากฏอยู่ในพระธรรมฮีฮบรูบทที่10บนะครับ ผมจะขออนุญาตอ่านจากข้อที่แปดเป็นต้นไปนะครับฮีบรูบทที่สิบข้อที่แปดเมื่อพระองค์ตรัส ด, ดังนี้แล้วว่าเครื่องศัตว์บูชาและเครื่องบูชาอื่นๆและเครื่องเผาบูชาและเครื่องบูชาลบบาปพระองค์ไม่ทรงประสงค์และไม่ทรงพอพระทยัยแล้วพระองค์จึงตรัสว่าข้าพระองค์มาแล้วพระเจ้าค่ะเพื่อจะกระทาตาม น้ำพัดไทยของพระองค์พระองค์ทรงยกเลิกระบบเดิมนั้นเสียเพื่อจะทรงตั้งระบบใหม่และโดยน้ำพัดไทยนั่นเองที่เราทั้งหลายได้รับการทรงชำระให้บริสุทธิ์โดยการถวายพระกายของพระเยซูคริสต์เพียงครั้งเดียวเท่านั้นพี่น้องครับพระเจ้าของพระเจ้าในเช้าวันนี้ทําให้เรารู้ว่าพระเยซูนั้นได้ กระทำสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตของเรานั่นคือการส่งชําระให้บริสุทธิ์การทรงชําระให้บริสุทธิ์นั้นทําให้เรารู้ว่าเป็นการที่พระเยซูได้ทรงกระทําบนไม้กางเขนเพราะเหตุที่พระองค์ได้ทรงเป็นเครื่องบูชาและเครื่องบูชานี้เป็นเครื่องบูชาที่มีชิ้นเดียวครับก็คือชีวิตอันประเสริฐชีวิตอันเลิศล้ําค่าขององค์พระเยซูคริสต์ การถวายบูชาของอิสราเอลกับการถวายบูชาของพระเยซูคริสต์ในบทที่10ข้อที่10บนะครับก็ได้กล่าวไปแล้วว่าโดยน้ำพระทัยนั่นเองที่เราทั้งหลายได้รับการทรงชําระให้บริสุทธิ์โดยการถวายพระกายของพระเยซูคริสต์เพียงครั้งเดียวเท่านั้นผีนองคาพระเยซูนั้นทรงทําให้เราทั้งหลายได้รับการชําระให้บริสุทธิ์การชาระบริสุทธิ์นั้นหมายถึงการทําให้บริสุทธิ์ หรือหมายถึงการแยกออกไว้ต่างหากครับแยกออกไว้หรือกันออกไว้ต่างหากเราได้รับการชำระให้บริสุทธิ์โดยการถวายบูชาของพระเยซูเพียงครั้งเดียวเมื่อพระองค์ทรงสิงส้นพชนแในเราวางใจในพระองค์การถวายบูชาของพระองค์ก็เป็นสิ่งที่เพียงพอสําหรับเราแล้วครับพระเยซูได้ตรัสไว้ที่บนกางเขนว่าสําเร็จแล้วครับพี่น้องในทางตรงกันข้ามครับในข้อที่สิเอนะครับบอกว่าฝ่ายกุโรหิตทุกคนก็ยืนปฏิบัติกิจอยู่ทุกวัน โดยการนำเครื่องบูชาอย่างเดียวกันมาถวายเนืองๆ เ, เครื่องบูชานั้นจะลบล้างบาปไม่ได้เลยแต่เมื่อพระคริสต์ทรงถวายพระองค์เองเป็นเครื่องสัตวบูชาเพราะบาปเพียงครั้งเดียวเป็นเครื่องบูชาที่ลบบาปได้ตลอดไปพระองค์ก็เสด็จประทับเบื้องขวาของพระเจ้าเพื่อทรงคอยอยู่จนกระทั่งศัตรูของพระองค์ถูกนำมาเป็นแท่นรองบาทของพระองค์ โดยการถวายบูชาเพียงครั้งเดียวพระองค์ก็ได้ทรงกระทําให้คนทั้งหลายที่รับการชงชำระให้บริสุทธิ์แล้วนั้นถึงความสมบูรณ์เป็นนิจและพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทรงเป็นพยานให้แก่เราด้วยเพราะว่าพระองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่าองค์พระผู้เป็นเจ้ากราัสว่านี่คือพันธสัญญาซึ่งเราทั้งหลายจะซึ่งเราจะกระทํากับเขาทั้งหลายหลังจากสมัยนั้นเราจะบรรจุพระธรรมไว้ในใจของเขาทั้งหลาย และเราจะจารึกพฤตรรมนั้นไว้ในจิตใจของเขาทั้งหลายแล ะ, ระตรัสต่อไปว่าเราจะไม่จดจำบาปกับการกระทของเขาทั้งหลายอีกต่อไปเมื่อมีการลบบาปแล้วก็ไม่มีการถวายเครื่องบูชาลบบาปอีกต่อไปเพียงครับนั่นคือคำตอบว่าทำไมเทศกาลทุกวันนี้จึงไม่ต้องมีพิธีกรรมหรือใช้การถวายบูชาอีกต่อไปเพราะพระเยซูนั้น ทรงเป็นเครื่องบูชาลบบาปเรียบร้อยแล้วครับทําให้พระเจ้าไม่จดจําความบาปไม่จดจําการอาธรรมไม่จดจําการล่วงละเมิดของเราและพระธรรมของพระเจ้าจะจารึกอยู่ในชีวิตอยู่ในหัวใจของเราเพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในเราครับพระวิญญาณบริสุทธิ์จะบรรจุพระธรรมไว้ในใจของเราทั้งหลายแต่การบรรจุพระธรรมนี้จะต้อง เกิดจากการอ่านเกิดจากการฟังเกิดจากการเข้าเฝ้าพระเจ้าเกิดจากการที่เรารู้จักพระเจ้าเป็นการส่วนตัวมีความสัมพันธ์กับพระองค์ในขณะดเดีกันครับเพราะเจนะและพระธรรมของพระองค์ก็จะฝังถ้อยคําของพระองค์ของพระเยซูก็จะฝังอยู่ในชีวิตของเราพี่น้องครับเมื่อเรายิ่ยงมีพระธรรมหรือพระธรรมของพระเยซูหรือพระกัมภีร์นั้นฝังอยู่ในชีวิตของเรามากมากเท่าใด เราก็จะมีชีวิตที่รับการชำระให้บริสุทธิ์มากเท่านั้นเห็นนะครับนี่คือเหตุที่ทําให้โบสถ์จะต้องมีการเรเนวีในกลุ่มแคร์จะต้องมีการศึกษาพระคัมภีร์ในกิจกรรมทุกอย่างนั้นจะต้องมีพ ร, ะ, พระเ จ, เเ น, กกจรรเนะของพระเจ้าสอดแทรกเข้าไปเสมอในทุกๆกิจกรรมถ้าเรามีพระเจนะของพระเจ้าสอดแทรกไว้ในทุกๆกิจกรรมกิจกรรมเหล่านั้นก็จะกลายเป็นกิจการของพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับ พระวิญญาณบริสุทธิ์จะใช้พระเชนะของพระเจ้าในการเกิดผลในการที่จะเร่งเราใจเราเพื่อที่เราจะมีผาลาญใจจะเกิดแรงบันดาลใจที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นอาศัยพระเชนะของพระเจ้าที่จะทําให้เราทั้งหลายเติบโตขึ้นในทางของพระเจ้าชีวิตของเราจะบริสุทธิ์มากขึ้นเมื่อรับการชาระด้วยความจริงของพระเจ้านั่นคือพรนะเจ้านั่นเองพี่น้องครับ ในบทที่ในบทเดียวกันนี้ข้อสิบเอ็ดเขาบอกว่าพวกผูเห็นในพัมพีเดิมนั้นต้องยืนปฏิบัติกิจและนําเครื่องบูชาอย่างเดียวกันมาทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันว น, นะครับหลายร้อยปีพวกเขายืนกระทําอยู่เพราะอะไรครับเพราะงานที่เขาทานั้นมันยังไม่สําเร็จแต่พระเยซูตรัสบนการเขียนว่าสําเร็จแล้วครับข้อสิบสองครับบอกว่าแต่เมื่อพระคริสต์ทรงถวายพระองค์เองเป็นเครื่องสัตวบูชาเพราอบาปเพียงครั้งเดียว เป็นเครื่องบูบชาที่ลบบาปได้ตลอดไปเพราะว่าพระเยซูได้ถวายตัวเองพระองค์เองนั้นเป็นเครื่องบูชาลบบาปไปเรียบร้อยแล้วพี่น้องครับเราหลายจึงได้รับการชัมพระให้บริสุทธิ์และจะถึงความสมบูรณ์เมื่อไหร่ครับจะถึงความสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อเรานั้นได้ไปพบกับองค์พระบูตรเป็นเจ้าเพราะว่าการชัมไร่บริสุทธิ์นั้นไม่มีวันจะบริสุทธิ์ได้หมดจดจนกว่าวันนั้นเราจะจากโลกนี้ไป และไปพบกับองค์ผู้เป็นเจ้าครับถามว่าทําไมครับเพราะว่าถ้าไม่ได้รับการชําระแบบบท ห, ห, หมดหมดจดบริสุทธิ์เบ็ดเสร็จนะครับในวันสุดท้ายนั้นไม่มีใครที่จะสามารถเข้าความเป็นเจาได้เพราะอะไรครับเพราะเรายังมีความผิดบาปอยู่แต่การชำระบริสุทธิ์นั้นจะไปถึงความสมบูรณ์ได้ผ่านทางใครครับผ่านทางพระเยซูครับการยกโทษ บ, บาปของพระเยซูนั้นยกโทษทั้งบาปในอดีตยกโทษทั้งบาปในปัจจุบัน ยกโทษทั้งบาปในอนาคตพระเยซูตรัสไว้ในพระธรรมมัทธิวบทที่ห้าข้อสี่สิบแปดเหตุนี้ทั้งหลายจงถึงความสมบูรณ์นะครับพระเยซูมาเพื่อที่จะประทานหรือให้ชีวิตที่ครบบริบูรณ์ให้กับเรานี่นะครับพระกัมภีร์ฉบับภาษาไทยนะแปลว่าเหตุนั้นท่านทั้งหลายจงเป็นคนดีรอบครอบนะครับควาว่าดีรอบครอบนั้นมีความหมายว่าจง จนจงถึงความสมบูรณ์ครับพระเยซูเสด็จขึ้นบนไม้กางเขนทำให้เราสมบูรณ์โดยความเชื่อความศรัทธาของเราที่เรามีต่อพระเจ้าและโดยการเชื่อฟังทําให้ชีวิตของเรานั้นได้รับการชำระให้บริสุทธิ์พระเยซูทรงเป็นคําตอบสําหรับปัญหาความผิดบาปเพราะฉะนั้นเมื่อเราอธิษฐานขอยกบาปนะครับขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์เกี่ยวข้องกับการสิ้นพระชนบนไม้กางเขนครับเกี่ยวข้อง กับการถวายบูชาด้วยตัวของพระองค์เองครั้งเดียวพอนะครับและเกี่ยวข้องกับการที่เราจะต้องมีจิตใจแห่งการเชื่อฟังเพื่อที่จะนำชีวิตของเราเข้ากระบวนการชำระให้บริสุทธิ์การชำระบริสุทธิ์อย่าลืมนะครับพี่น้องเป็นการกันไว้แยกไว้ต่างหากครับ separation separate แปลว่าแยกไว้กันไว้พิเศษเป็นของถวายครับพี่น้องครับนี่คือพระชนะของพระเจ้าเนื้อหาสาระในชาวนันนี้ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับ ในการที่เราจะมีชีวิตแห่งการเชื่อฟังโดยเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้ามันศึกษ า, าพระัมภีครับมันเข้าชั้นเรียนมันอภิปรายถึงความเชื่อความศรัทธามันมันอภิปรายถึงคําถามต่างๆในพระคำพีเพื่อที่เราจะเข้าใจพระเจ้ามากยิ่งขึ้นครับและขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะช่วยเราโน้มนําเอาพระวจนะที่ฟังอยู่ในชีวิตของเรานั้นได้เกิดผลเป็นพรต่อตัวเองและเป็นพรต่อผู้อื่นอีกมากมายอาเมน